อย่างนี้มันธรรมชาติตามตามความจริงเราก็ดูความจริงความจริงมันตอนรมันได้ทนดีเราก็เอาอย่างนั้นอยางไปเอาในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ทางในสิ่งที่มันเป็นไปได้แล้วมันง่ายมันสะดวกมันสบาย ปัญหาของพวกเราก็คือใจเรามันมีความอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เราก็พยายามหาวิธีทำให้มันเป็นไปตามความอยากของเราพอเป็นไปนแล้วมันก็ทํานั้นมันไม่ได้แก้ปัญหาปัญหาก็คือความอยากมันก็ยังไม่ตายไป พอเราทำได้ความสิ่อยากได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วความอยากมันก็ไปโผล่ขึ้นไปทิ่งไปอยากอีกอย่างหนึ่งมันก็อยากไปเรื่อยๆอยากได้อะไรก็พยายามหามาพอหามาได้แล้วก็อยากได้สิ่งที่ยังไม่มีต่อไปอยากไปเรื่อยๆก็ไม่มีวันที่จะหมดปัญหา พอเวลาอยากได้อะไรสักทัง้งหนึ่งมันก็ต้องอมีปัญหามีอุปสรรคกว่าจะแก้ปัญหากว่าจะฟัน่าอุปสรรคได้ก็เสียเวล า, าหมดหมดหม ด, หมดเงินหมดทองไปโดยใช่เหตุเพราะว่ามันไม่ได้ไปแก้ปัญหา มันกลับไปสร้างปัญหาขึ้นมาต่อเพราะว่าความอยากเมื่อเราทำไปแล้วความอยากมันจะมีอายุต่อขึ้นไปยาวขึ้นไปอยากทันนี้แล้วก็วอยากได้อยากไปได้ของที่เราเคยได้แล้วของที่เรา เบื่อที่ได้แล้วเบื่อเราก็หาของที่เรายังไม่ได้นะนี่คือเรื่องของความอยากมันจะไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่มีถ้าไม่ได้หยุดความอยากถ้าความอยากไม่มีวันสิ้นสุดปัญหาหรือความทุกข์ต่างๆก็จะไม่มีวันสิ้นสุด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 มีความอิ่มเรือความพอเนอต่างในโลกนี้ที่พวกเราแสวงหากันไม่ว่าจะเป็นลาภยศและเสริเป็นความสุขทางตาหูจมูกร่างกายมันไม่สามารถให้ความอิ่มความพอแก่ใจของเราได้ต่อให้เราได้มามากน้อยเพียงารก็ตาม ความพอจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่หยุดความอยากได้นั่นเองได้เงินมาร้ อ, ล, อล้านก็ยังไม่พอได้พันล้านก็ยังไม่พอได้แสนล้านก็ยังไม่พอมันก็ยังอยากอีกถ้าไม่อยากได้เงิน ม, มันก็อยากจะได้นั่นเองเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าหมายได้เงินมากแล้วทีนี้ก็อยากจะได้เกียรติ อยากจะได้ราบแล้ได้ยศพอได้ราบแล้วก็อยากจะได้ยศรวยแล้วทีนี้นก็อยากจะดูทำางนินอยากเป็นขุนหญิงเป็นขุนนายอยากเป็นรัฐมนตรีเป็นนายรัฐมนตรีเป็นตปางธานาธิบ ด, ดีมันมีความอยากต่อไปเรื่อยๆ ที่เคยพูดไปว่าความอยากมันเริ่มต้นจากการอยากมีอยู่ดีกินดีพอเกิดมาแล้วมันก็อยากเป็นอยู่ดีกินดีคือไม่ไม่อดอยากขาดแคลนพเราอยู่ดีกินดีแนละ้วเราก็อยากจะมีมากๆอยากจะร่ำ อ, อยากจะรวยพอรวยแล้วก็ อ, อยากเป็นใหญ่เป็นโต อยากมีเียรตมีชื่อเสียงมีหน้ามีตาพอมีแล้วก็อยากจะมีไปนานๆไม่อยากให้มันเสื่อมหมดตายถ้ามันต้องเสื่ยมหมดตายก็คือเวลาที่จะต้องตายก็ขอก็อยากจะไปสวความอยากมันต่อไปเรื่อยๆได้ในวันขึ้น มีความอยากมันก็ยังมีความหิวมีความต้องการมีความไม่พอมันก็ไม่มีความสุีก็ไม่มีความอิ่มเราต้องหยุดความอยากเพราะถ้าว่าเราหยุดความอยากได้ความอิ่มความพอก็จะเกิดขึ้นเรา่รู้ว่าความสุี ที่แท้จริงความอความอิ่งความคอที่แท้จริงนั้นอยู่ตรงไห น, นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านำทรงจับพระนี้แล้วนําเอาความจริงนี้มาเผยแต่มาบอกพวกเราพวกเราก็จะไม่มีวันที่จะรู้นดะ้พวกเราก็จะต้องอยู่กับการหาลาภยศทะิุ ความเสก็จทางตาหูจมูกทิ้นกายแล้วก็ต้องมาทุกกับความเสื่อมของร่างยศชนละเอเียดในส่วนของความทุกข์ทางตาหูจมูกทิ้งกายในเวลาเราสเสื่อเสือสิ่งที่เราว่าไปหรือสิงเสียบุคคลที่เราว่กไปเรื่องเราก็จะเศร้าเสีสยใจในสถานที่เราอยู่ กับสิ่งที่เรารักกับบุกคนที่เรารักเราก็มีความห่วงใยมีความยึดติดทางใจกลัวว่าเขาจะจากเราไปเวลาที่เราไม่มีสิ่งที่เรารักบุกคนที่เรารักเราก็อยากจะมีพอเราอยากจะมีเราก็อยู่ไม่เต็มที่เราก็ต้องไปเร่รอน ไปแสวงหาสิ่งที่เราล้าสิ่งที่เราชอบบุคคลที่เรานักบุคคลที่เราชอบก็เพราะว่าการมีใจของเรานั้นมีแต่ความอยากจึงจําเป็นเป็นผัดยันให้เราจา่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ความอยากของพวกเราเนี่ยก็เกิดจากความอยากเห็นที่เกิดเป็นชอบเห็นที่กรอกจากจนดอกดืู เห็นความทุกข์วเป็นความสุขเห็ น, หนาดยักษ์สรสนเห็นความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกลางว่าเป็นสุขแต่ความจริงแล้วเขาเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะเขาไม่เขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนเขาไม่เจริญอย่างเดียวเขาเจริญแล้วเขาก็สิ้นด้วยเขาเกิดแล้วเขาก็ดับเขามาแล้วผขก็ไ เรามองไม่เห็นส่วนที่เสื่สนที่ดับส่วนที่จา ก, กเราไปเวลาเราเห็นส่วนที่เราอยากาไดเจจกเไ้เราจะไม่คิดว่าเขาจะจากเราไปเราจะได้คิดว่าเขาจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนไปนี่คือความหย่อนทำให้เราไม่เข้าหาความคิดอยู่ตวว ล, ลอดเวลาพรไม่เห็น ความไม่เทียงแท้แน่เราไม่เห็นความเสี่ยงของเสิ่งต่างๆแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุดแต่เราได้อย่างแท้จริงเราไม่รู้ว่าความสุดที่แท้จริงอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่ได้พกเก็บ นักบวชโดกเฉพระพอพุทธาสนาโดยเฉพาะพ่อพุทธศาสนาเราจะรู้ว่าการฝึกแท้จริงนั้นอยู่ในใจของเราอยู่ในตรวของเราอยู่ในการทำ ใ, ใ, ใจของเราให้สงบถ้าไม่มีาสาสน า, ษาก็จะไม่มีใครรูเรื่องนี้ คนที่ได้มีสานนาเขาก็ไม่เคยคิดที่จะทำใจของเขาให้สุบเขาไม่รู้ว่าความสุขที่ยิงง่งใหญ่ความสุขที่ดีเลิความสุขที่แท้สิงนั้นอยู่ที่ความสงบของใจเขาก็องเส่งมเสเวลาชีวิตจิใจให้กับการสาาร า, สหา ง, สขข ง, งหาล่ามยศระเสริญหาความสุขทางใจให้ตระหนักตืนตระ แล้วเขาจะต้องอยู่กับกองทุกเวลาที่สิ่งต่างๆนี้มีการเปลี่นแปลงมีการสปลี่ยนแบไปนี่คือความหยงในใจของผู้ที่ไม่ได้เข้าหาศาสนาไม่ได้พบกับศาสนาที่เราติดตษากัน เพราะศลศาสนาเป็นศาสนาที่รู้ความจริงรู้ความสงบสุขของใจงว่าเป็นความสุขที่แท้จริงรู้จักวิธีสร้างความสุขนี้แล้วก็สร้างให้ถึงขีดสูงสุดคือขีดที่ไม่มีวันเสือ่สอศาสนาหรือไม่ก็รู้เหมือนกันรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ในใจ แต่เขาไม่รู้วิธีที่จะสร้างความสึกให้ถึงขี่สูงสุดคือถึงขีที่ไม่มีวันเสื่อมเขาสามารถสร้างความสุกความสงบของใจไ ด, ใด้ในระดับฌานหรือในระดับสมาธิที่ยังต้องมีวันเสื่อมหอดไปเขาไม่มีวิธีสร้างใจ ให้สงบอย่าง้าวมก็คือทำใจให้เป็นทาน่ า, ามิถานคำว่าทา่ามิถานก็คือใจที่มีความสงบวยนตลอดเวลาอย่างถาวรที่ใจงสงบได้อย่าง้าวนก็เพราะว่าเหตุที่ทาให้ใจไม่สงบคือความอยากทงมารได้ถูกกำจกัดไปหมดด้วยอำนาจของปัญญา สามารถที่จะความเห็นชอบความเห็นว่าผลปรสงค์ทั้งหลายในรอบนี้มันเป็นการวิจารทุรกข์ของนัตตาต้องมีธรรญามีความรู้ อ, อ น, นี้เึงจะสามารถกำจัดความอยากต่างๆทั้งหลายให้หมดไปได้อย่างถาวถ้ากำจับด้วยทำให้ความอยากนั้นหายไปชัว่วครา ด้วยการเพ่ยนอารมณาใดอารมณ์หนึ hmm. mom, Finally, ่งเช่นด้างสมาธิกำหนดดูลมหายาจเข้าออกหรือบนกัรพุทโธพุทเธหรือเพ่งดูอารมณ์ใดอารมณหนึ่งบาแห่งเขาจะใช้ให้ดูแสงดูสีดูดูดูแก้วอันนี้เป็นการควบคุมความคิด เมื่อทคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อให้หยุดความคิดชั่คราวเมื่อหยุดความคิดชื่อการก็จะหยุดความอยากได้ชั่อการเพราะความอยากก็ต้องใช้ความคิดเป็นเครื่องมือพอความคิดหยุดทา ง, งานความอยากก็ต้องหยุดทา ง, งานแต่ไม่ได้หยุดแบบทาวรเวลาออกจากสมาธิ เวลาออกมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ความอยากก็จะตามมาถ้าคิดได้พอคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากใหเป็นอย่างนี้พอคิดถึงน่้งแล้วเรื่องนี้ก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดความได้เสมอขึ้นมาเกิดความกโกรธกวากรสับกระสายก็เป็นเรื่องร้นขึ้นมาอยู่ไม่เป็นสิ่ง เพราะว่าความอยากนี้ไม่ได้หมดจเด้วยการหยุดความคิดความอยากนี้เกิดจากความหลนเกิดจากความเห็นผิดเป็นชองเห็นว่าการอยากได้อะไร้วจะได้ความสุขต้องรู้ว่าต้องมีสรมมาทิฏฐิก็คือมีความรู้ขอพระอริยสัจศ นางที่พระพุทธเจ้า ไ, ได้สอนแต่เร็วจงรู้ว่าความอยากได้สิ่งต่างๆนี่แลเป็นต้นเหตุที่มาทําลายความสุบของใจเมื่อความสงบของใจงถูกทําลายไปความสุข ก, ก็หายไปความทุกข์ก็กลับมแทนที่ถ้าอยากจะให้ความสงบกลับมาอยากให้ความสุขกลับมาก็ต้องมีความอยาก และการจะหยู่ความอยากได้ก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่อยากได้นั้นมันไม่สามารถให้ความสุ ข, ขเราได้นอกจากไม่ให้ความสุขแนละ้วยังให้ความทุกข์ด้วยลองสื่กใจเร า, เาดีเราทุกวันนี้เราทุกกับอะไรถ้าเราทุกกับสิ่งที่เรามีไม่ใช่สิ่งที่เราไม่มีนี่เราไม่ทุกข์คนที่มีสามีมีภรรยา ก็มักจะทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาคนที่ลูกก็มักจะต้องทุกข์กับลูกคนที่มีซากก็จะทุกข์กับซากคนที่มียศ ก, ก็ต้องทุกข์กับยศคนที่มีความศึกทางตาหูจมูกทิ้งกายก็จะต้องทุกข์กับเรื่องของความเสื่อมของูเสียงถิ่นนกผุดสะพาน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 มันต้องเสื่อมหมดไปดูเสียงเก็บนัดโกด ร, ระฆังที่เราได้เสกสัมผัสเขาก็ให้เที่ยงเขามาแล้วก็เขาก็ไปเราไปดูภาพไปดูพอดูเสร็จแล้วมันก็หมดไปถ้าเราอยากจะดเีเราก็ต้องกลับไปดูอีกถ้าเราอยากจะฟังนะฟัอะไรเราก็ต้องกลับไปฟังอีฟังเท่าไรฟังเสร็จมันก็หายไปหมดไปก็ต้อคอยฟังอยู่เรื่อยๆต้องคอยดูอย่เรื่ย ต้องคอยดึงอยเรื่อยๆต้องคอยรับประทานอยู่เรื่อยๆถึงจะมีความสุขนี่แหละคือความสุขของความทุกข์ของคนที่มีสิ่งต่างๆมีรากก็ต้องทุกกับรากมียกก็ต้องทุกกับยศมีสัมาสังกัดก็ต้องทุกกับสัมมาสังกัดก็คือเวลาไม่ได้เป็นสัรเสริญแต่เป็นเปนสียงหนึ่งท่าเคยได้ยินเสียงสัมมสงังก พรียบดีเรียบดีเรียบดีๆก็มีคนมาเนินทาเข้าพอได้ยินเสียงนินทาก็จะเกิดความทุกข์ก็เหมือนพ่อเคยเคยได้ยินแต่เสียงสัมเสริญพอเสียงสัมเสริญหายไปเสียงเนินทาปรากฏขึ้นมาก็จะต้องทุกกับเสียงนินทาเคยมีความสุขกับเืกสียงถี่ลบพอการหูจะหมดจิกาจไม่อยู่ไม่อยู่ในสภาพที่ใช้มาร อดูรูปเสียงเกินวดัดเจ็บรูปเสียงเกลดได้ตอนนั้นก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาไม่สบายร่งางกายไม่สบายไม่สามารถไปอยู่ไปฟปังไปเรียนไปรับประทานเะไรได้ตอนนั้นก็มีความทุกข์ใจขึ้นแต่คนที่ไม่ไม่ยุ่งเกี่ยกับเรื่องราบรสริสรกับ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 หาอาหารหาน้หาอากาศมาย่อเลี้ยงร่างกายตลอดเวลาแล้วยังต้องทุกข์กับความเจ็ของร่างกายทุก์กับความเจ็บไข้ได้เ่วของร่างกายทุกข์กับความตายของร่างกายเพราะมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องทุก์กับการหาอาหารหาน้ำหาอากาศให้ร่างกาย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 หรือทำลายความอยากในใจได้สิ่งที่จะทำลายหรือสกับความอยากภายในใจก็คือความสงบนี้ผู้ใดได้เข้าถึงความสงบยากผู้นั้นสามารถหยุดความอยากได้เพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้เหนือความสุขทั้งหลายที่ได้จากความอยากนี้พอได้ความสงบได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้ว ทีนี้ต่อให้ได้ร้อยล้านพันล้านก็ไม่ตื่นเตมนก็ยินดีแต่อย่างใดให้เป็นนายกให้เป็นประธานาธิบดีก็ไม่ได้ตื่นเต้นดีชใจอะไรให้ไปเที่ยวรอบโลกสามมอหกสิบครั้งก็ไม่ตื่นเต้นแต่อย่างนั้นขี้เกียจไปขีอนอนอยู่ในห้องนอนอยู่นอนอยู่ในป่าสบายกว่าเย็นสบายกว่า มันต้องไปวุ่นวายกับการทําหนังสือเดินทางไม่ต้องไปวุ่นวายกับการทําวีซ่าไม่ต้องไปวุ่นวายกับการไปตรวจโรคฉีดยาป้องกันโรคภัยต่างๆมันต้องไปวุ่นวายกับการจองตั๋วที่บินจองที่พักไม่ต้อวุ่นวายไปแต่คนที่ไม่มีความสนุบความสขของบใจนี้เท่ากับถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้ เพราะว่าเขาคิดว่าเขากำลังจะได้ความสุขคือเขาได้หลุดพ้นจากความเบื่อหน่ายเวลาก็อยู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรทำเขาเบื่อหงุดหงิดําพานใจพอเขารู้ว่าเขาจะได้ไปเดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใจ ก, ก็เลยเกิดความตรุงแต่งขึ้นมาว่าต้องสนุกต้องมีความสุขต้องดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆ อยู่กับความเบื่อหนายเขาก็เลยย้อนสู้กับความยากลำบากในการที่จะต้องไปทําหนังสือเดินทางทําดีซา่าไปเกิบโตไปฉีดยาไปจองหรือว่าเดินเป็นจองที่พักอะไรต่างๆแล้วก็ต้องไปเสี่ยงพันกับการนั่งเครื่องบินที่ไม่รู้ว่าจะลงดาวดัตไหนแต่เขาไม่คิดถึง ภัรเหล่านี้เขาไม่เคนคิดถึงความิุกเหล่านี้เพราะความเบื่อง่ายที่เขาต้องอยากจะหนีนีม้มันมีอำนาจมากกว่าการที่เขาจะต้องไปเสี่ยงภัยการที่เขาจะต้องไปวุ่นวาย ก, กับการทำอะไรต่างๆเพื่อให้เขาได้หนีจากความเบื่อง่ายนี้ไปตอนนั้นเองแต่สาหรับผู้ที่มีการสงบแล้วจะไม่มีความเบื่อง่าย อยูเฉยๆนี่จะไม่มีความเื่อเพราะความสงบนี้ระงับความเบื่อหน่ระงับทุกสิ่งทุกอย่างได้ไหมดมีแต่ความสุขความสบายความเย็นควา ม, มเป็นเด็กาคือไม่ย็นดีไม่ย็นร้ายอยู่อย่างไรอยู่กับอยู่ในสภาพใดอย่างไรก็อยู่ได้อยู่เฉยๆก็อยู่ได้ ถ้าต้องทำอะไรก็ทําได้ถ้ามีเหตุให้ทําก็ทําไปแต่จะไม่หาเหตุมาทําเพื่อที่จะหนีความเบื่อหน่ายเพราะไม่มีความเบือหน่ายจะต้องหนีอันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่จะทําให้เราสามารถหยุดความอยากต่างๆได้เราจึงต้องมา สร้างความสุขใจท่านการสร้างความสุขใจก็คือเราต้องปล่อยวางความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขใจนั่นเองก็คือเราต้องปล่อยวางราบรุสนัเสริมปล่อยวางความสุขทางตาหูจมูกอิเพก่ด้วยการทำทานสละราบรุสนับเสริมสละความสุขทางตาหูจมูกอินไก่ อย่างที่พระ เ, เจ้าในขณะที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถ์ได้ทรงปฏิบัติทรงสระละราจสมบัติสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้กายแล้วก็ออกบวชแล้วก็มาสละความอยากที่จะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นสละก็คือความอยากที่จะฆ่าผู้อื่น อยากจะรักชับอยากจะพื้นปิดภเวนีอยากจะโกหกหลอกลวอยากจะเสพสารยา마ลและอบายมุขทั้งหลายต้องสละสิ่งเหล่านี้อปต้องรักษาศีลให้ได้แล้วก็มาสละความคิดความคิดที่เราคิดอยู่ทั้งวันตั้งแต่ตุต่นจนหลับความคิดนี้เหล่านี้เป็นความคิดที่ให้เป็นประโยชน์กัใจ คิดแล้วทำให้ใจฟุ้งซ่านทำให้ใจผีทำให้ใจยใหใจ ย, หจ ย, ยาเราต้องมาสละความคิดแบนี้ด้วยการเพ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อจะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ช่นเราจะใช้พุทธโธเป็นอารมณ์เราก็บ ร, รมีาําพุทธโธไปทั้งวันถ้าเราจะใช้ร่างกายเป็นอารมณ์เราก็เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปทั้งวัน ตั้งแต่ตื่นจหลับทุกอิริยาบถทุกขณะเช่นเราตื่ขึ้นมานลืมตาก็เข้าดูแล้ว่าต่อไปร่างกายจะทำอะไรร่างกายจะลุกขึ้นมายืนก็ดูเลยเข้าดูร่างกายว่าตอนนี้กําลังยืนตอนนี้กำลังเดินมันจะเดินไปเข้าห้องน้ํากำลังจะไปล้างหน้าอาบน้ำไปทําจิตต่างๆแต่เนื้อนะแต่งตัว ทำอาหารรับประทานอาหารเดินทางไปทำงานทำภารกิจอะไต่างๆให้ใจอยู่กับร่างกายเฝ้าดูร่างกายอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ยกเล็กเฉพาะเรื่องที่จาเป็นจะต้องคิดจริงๆเท่านั้นเช่ต้องคิดว่าวันนี้ต้องไปทานอะไรได้ มาดูแลเราต้องทําอะไรก็ดําเนินไปตามตามตามเหตุผลนั้น mm hmm. ขณะที่ดําเนินไปก็ให้เข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไป mm hmm. เดินทางไปก็เข้าดูร่างกาย mm hmm. ถ้าร่างกายนั่งอยู่บนนั่งเฉยๆ mm hmm. ไม่ต้องทําอะไร mm hmm. ก็หลับตาแล้ว mm hmm. นั่งอยู่ลมหายใจเข้าออกไ mm hmm. อย่านั่งคิดถ mm ึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มองมองไปทางซ้ายมองไปทางขวา แล้วก็มีอารมณ์กับเรื่องที่เห็นสิ็นที่เห็นเอามาคิดมาปุงมาแต่งทําให้เกิดไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจหรือเกิดความโลภเกิดความอยากได้เช่นนั่งรถไปเห็นป้ายโฆษณาสินค้าก็อยากได้เห็นคนขับรถไม่มีระายะา ก, ก็เกิดอารมณ์เสียขึ้นมาอย่าไปดูสิ่งอย่างนี้มาดูลมหายใจเข้าออกดีกว่าเวลาเดินทางไปทํา ง, งาน ถ้าเราไม่ต้องเป็นเราไม่ต้องถักรถเรานั่งเฉยๆเรานั่งหลับตาดูลมหายใจไปจะจะไปถึงที่ทํางานอย่างรวดเลยจะไม่รู้สึกว่าเชื่องช้าเลยถึงแม้ราจะติดเป็นชั่วโมงก็รู้สึกว่ามันเลวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะใจเราไม่ได้มีความอยากจะให้ไปถึงจุดหมายปลายทางทถึงที่ถึงดังใจเราเฉยๆถึงเมื่อหลังก็ถึงเมื่อนั้น เมื่อใจเราไม่ไปมีความอยากจะให้ไปถึงตามเวลาที่เราต้องการพอมันไปได้ทิพพอมันไปช้าหรือไปเร็วมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเราก็นั่งหลับตาเฝ้งดูลมหายใจเข้าออกเราจนไปถึงที่ทํา ง, งานพอลงจากรถก็เข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายต่อไปกำลันเดินกลับ็เดินไป ป, นประตูเดินไปพวกใคร ถ้าจําเป็นจะต้องทักทายก็แผ่เมตตาสวัสดียิ้มแย้มแจ่มใสสบายดยหรอะไรอย่างนี้เราะว่าต้องกรพอไม่ให้เสียเวลาเยอะเสร็จแล้วเราก็เดินต่อไปจนถึงที่ทํางานพอเราต้องทํางานใจของเราก็เฝ้าอยู่กับการทํางานถ้าต้องคิดเรื่องงานเรื่องการก็เฝ้าดูความคิดให้คิดอยู่กับเรื่องงานเรื่องการอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นพอเสรจจากเรื่องงานเรื่องการมีเวลา ว, ว่าง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 ใจก็จะไม่ไม่เลี่สงไม่สงบใจจะว่าวุ่นขุมม่นมวแต่ถ้าใจมีสติจดเจอข้ออยุดดูข้อดูร่างกายตลอดเวลาไม่ไปคิดเรื่องทนเรื่องใจจะเย็นใจจะว่างใจจะสบายนี่ถ้าเราใช้ร่างกายเป็นอารมณ์ถูกใจเป็ น, เ ป, นเป็นอารมณ์จะนอนสติเรียว่ากายยักตาสติ มีการใช้ร่างกายถ้าเราถนาัดากับการใช้บริกรรมพุทโธเราก็บริบริกรรมพุทโธไปทั้งวันเลยไม่ ว, ว่าเราพยายามทำอะไรก็บริกรรมพุทโธไปถ้าเราได้จำเป็นจะต้องคิดเรื่องเรื่องงานเรื่องการหรือเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดเราก็บริกรรมพุทโธกันอย่าปล่อยให้คิดเพื่อเปื่อยคิดเพอจะคิดจินตนาการฝันไปอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้ อย่ากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยา่างไปคิอยู่กับพุทธโธหรือเปล่าบริกรมพุทธโธพุทธโธกันแล้วจะรับรองได้ว่าเวลานั่งสมาธินี้ใจจะสงบได้อย่างรวดเร็วห้านาทีสิบนเทีรู้ใจก็รวมได้เวลา ห, าหรวมว่ารู้ใจก็มีควาสุขมีความเบาอกเบาใจมีความว่าง มีความเย็นมีความอื่นมีความพอเป็นอุเบกขาสงบแต่ว่าเราจะไม่มีอะไรให้รับรู้คือไม่มีความคิดตุ้มตังให้รับรู้ไม่มีเรื่องเสียงเก่งวัฏฏปทะให้รับรู้ถ้ามีก็ไม่สนใจการสงบนี้สามารถสงบได้สอลักษณะสงบแบบรื่องเสียงเก่งวัฏฏปทละหายันไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย หรือแต่ตัวรู้ผู้รู้สักแต่ว่ารู้อยู่ตัวเดียวหรือว่ารูปเสีภภภภภภยงเก่งรก้ปวดสะานยังมีอยู่แต่ใจไม่ไปสนใจเสียงก็ได้ยินอาการทางร่างกายก็รับรู้ว่าเจ็บตรงนั้นบ้างปวดตรงนี้บ้างแต่จะไม่รำคาญจะไม่ยุ่นวายจะไม่กังวลจะไม่มีอารมณ์กับ กับนุ่เสียงเกิดเมื่อปล่อยวานได้ตางฝ่ายตามอยู่กันเขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเขาของเราเสียงจะมีถ้าปล่อยกามีไปร่างกายจะเจ็บตรงนั้นตัวตรงนี้ก็ปล่อยก็เจ็บไปใจจะเป็นอุเบกขาจะรับรู้เฉยๆจะไม่มีการคิดตัวแต่งอยากจะให้ความเจ็บนั้นหายไปอยากจะให้เสียงนั้นหายไปจะไม่มีเมื่อไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์ ใจก็จะอยู่อย่างสงบได้แต่ถ้าเกิดมีความอยากขึ้นมาเมื่อไรก็จะทนนั่งอยู่ไม่ได้ถ้าอยากจะให้ความเจ็บของร่างห า, ายหายไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในใ จ, จที่รุนแรงกว่าความเจ็บทางร่างกายก็จะทนนั่งอยู่ต่อไปไม่ได้หรืออยากจะให้เสียงนั้นหายไปไม่อยากจะฟังก็จะทนนั่งอยู่ไม <titles. S 2> <ny> ่ได้ จะต้องลุกขึ้นนั่งเดินหนีไปให้ห่างไกลจากสิ่งนั้นนี่คือปัญหาของความอยากถ้ามีความอยากเมื่อไหร่แต่ให้เรามีสมาธิมันก็สามารถทำลายสมาธิความสงบได้ถ้าเรามีสมาธิแล้วเราเราอยากจะรักษาความสนุบของใจงต่อไปเราต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งต่างๆนี้ไม่ได้ให้ความสุขกัอเรายาปัญญา เวลาอยากจะเดินเครื่อนเด่นที่ไม่จำเป็นต้องเดืนก็อยากจะริมรถรถเตียวรถอะไรอะไรต่างๆก็บอกว่าอยากไปเดินดีกว่าเพราะว่าเดินแล้วมันทำให้เราติดเราต้องดื่นอีกทุกครั้งเวลาเราอยากถ้าเราไม่ได้ดด่นเราจะมหนด่อยเกันเราจะไม่สบายใจแต่ถ้าเราเดิน ไม่ไม่ดีนะใจลองเราก็จะกับเข้าสู่ความเป็นอุนเบกขาต่อไปได้หมายถึงเวาเรามีสมาธิแล้พองกับความอยากขึ้นมามันก็จะมากบสุเบกขาที่มีอยู่ถ้าเราเอาหยุดต้นหาหนาได้อุเบกขาก็จะก็จะโผลกลับคืนขึ้นมา น, นี่คือวิธีที่เราจะรักษาอุเบกขาเรื่องรักษาความสงบของใจ หลังจากที่เราออกจากสมาคธิมาแล้วเราต้องคอยเตือนใจว่าอย่าทําตามความอยากความอย่ากนี้จะมาเป็นวันความสนุกความเป็นอุเบกขาของใจและสิ่งที่เราได้จากความอยากเพื่อจะสู้ความความสุขที่ได้จากความสนุกความเป็นอยู่เบกขาของใจงไม่ได้พอระอยะพ่อมาแล้วอยากจะได้สบบัมผัสกับลูกเสียงกลิ่นก็เราก็ต้องบอกว่าอยากไปสึก อย่าไปดูอย่าไปฟังอย่าไปดื่มอย่าไปรับประทานถ้าจะดืมจะรับประทานก็ต้องดืมด้วยเหตุผลรับประทานด้วยเหตุผลก็คือถึงเวลาต้องรับประทานก็ค่อยรับประทานถึงเวลาต้องดื่มค่อยดื่มแต่อย่าดื่มด้วยความอยากดื่มอย่าว่าประทานด้วยความอยากรับประทานเราต้องสกัดความอยากทุกรูปแบบแล้วเราจะได้รักษาความสงบของใจเราได้ต่อไป แล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดกําลังไปเมื่อเราสกัดมันเราไม่ทําตามความอยากความอยากมันก็จะอ่อนกําลังลงต่อเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็จะไม่มีหลงเหรืออยู่ภายในใจของเราพอไม่มีความอยากหลเหลืออยู่แล้วทีกๆใจของเราก็อยู่อย่างสบาไม่ต้องใช้ปัญญาแล้วเพราะว่าความอยากหมดกำลังปัญญานี่มีไวเพื่อสกัดความอยากเท่านั้นเอง ปัญญาจะสอนใจว่าความอย่างนี้คือต้นเหตุของความไม่สบายใจและสิ่งที่ใจอยากได้ก็ไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้นั้นล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดมีดแบบับเวลาได้นานานมาเหม่ๆก็ดีแต่ต่อไปมันจะเสื่อมไปมันจะดับไปจะหมดไปเวลามันเสื่อมเวลามันดับไปหรือเวลามันเปลี่ยนไป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 ควรมสุขที่เกิดจากความสงดให้อยู่อย่างท้าววตลอดไปพอไม่มีความอยากมาทําลายความสนุกแล้วก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ปัญญาต่อไปแสดงว่าทีโรดคือความสนุกความดับของความทุกข์ก็คือความสนุกของใจนี้ท้าววอแล้วเพราะว่าไม่มีความอยากที่จะมาลบล้ามากบ การสงบของใจเพราะมีปัญญาคอยควบคุมตัญหาความอยากอยู่ตลอดเวลานั่นเองนี่นะคือคือการการปล่อยวางเพื่อที่ทจะได้ได้ความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ในใจของเราเราต้องปล่อยวางทั้งแต่ราบยศและเสง ปล่อยวางความเกลียดการ์หุจมูกวิ่งก า, ายปล่อยวางความอยากที่จะไปทำร้ายผู้่เดือดรียนผู้อ่แล้วก็เราปล่อยวางความคิด ต, ตุ่มตันต่างๆแล้วก็ปล่อยวางความอยากพอเราปล่อยวางทุกสิ่งที่อย่างได้หมดแล้วใจของเราก็จะสงบหลังคาหมอนนี่คือความนิ้ที่มี ดูอยู่ในดิอยู่ในพระคุณศาสนาเพียงสาสนาเดียวถึงพรุ่งนี้พระพุทธเจ้าได้ส่งกระแสลมนำมามาเผยแต่งสอนให้แก่พวกเราผู้ใดสามารถปฏิบัติตามได้ดังนั้นก็จะได้รอบผลก็คือภายใุขที่สารวจที่เรียกว่าตรมังสุขขังนั่นเอง นิบานังบาลังสุ ข, ขังนิบานังแต่ว่าอะไรนิพพานก็คือการไม่มีความอยากนั่นเองใจที่ไม่มีความอยากก็คือใจที่เป็นนิพพานเมื่อไม่มีความอยากก็จะเป็นปาลังบาลังสุ ข, ขังเป็นบาลมสขขุิคือเป็นความสุขที่ถาวงไม่มีวันหมดไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจะไม่มากระทบกระเทือนกับใจเลย เพราใจได้ปล de ่อยวางทุกอย่างแล้วได้ปล่อยวางลางนละชัยวัลแสนได้ปล่อยวางความสุขทางตาหูจยูกลิ้นกายได้ปล่อยวางความคิดตรงตึงได้ปล่อยวางความอยากต่างๆได้ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางความรู้สึกเช่นเวทนาความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ของร่างกายปล่อยวางได้หมด ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องมาทุกข์ตต่อไปถึงแม้จะมีก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวร่างกายจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เป็นไปเอทํารู้จะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เป็นไปนาบยกสมสามารถเลอจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เป็นไปรูปเสียงจิตรูปโผฏฐัตถะจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เป็นไปการหูจะมีกยิงการจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เป็นไป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 ทุกสีอย่างที่จเจริญทังวันหนึ่งก็ต้องเสูญหมดไปตวลาหลังนี้สวันหนึ่งก็จะเสื่อหมหายไปเหมือนกับกลุ่มสีอนิพยานกุกลุ่มสุขโขไทยที่จะมีความสวยงามขนาดไานยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามเมื่อถึงเวลาที่เขาจะเสือ่อมเขาก็ต้องเสื่อมหมดไปชีวิตของพวกเราร่างกายัองพวกเราทุกคนก็เช่นเดียวกัน ไม่นานมันก็จะเสื่อมหมดไปร่งงางกายของเราทุกคนก็จะกลายเป็นเศษกระดูของบเศษชิ้นท้ายที่กระเป๋าเขาจะเก็บไว้ให้กับญาติี่น้องในตอนเช้าหลังจากวันที่เขาได้ทําการชาวปรริ ก, กแล้วนี่คือความจริงที่พวกเราต้องมองกันว่าจะได้ปล่อยวางจะได้ตัดต ไม่ยึดไม่สุดไม่หลงไปคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเราของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ของเราของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของดินน้ำลมไปทุกสิ่งทุกอย่างนี้มาจากภาตุสี่มารวมกันเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นต้นไม้เป็นรัฐถุกต่างๆเป็นข้าวของต่างๆ รวมกันได้สักระยะหนึ่งแล้วก็ต้องแยกจากกันไปนี่คืออ น, นิจจังไม่เที่ยงอนัตตาก็คือไม่มีตัวตนไม่มีเจ้าของเป็นดินน้ำลมไฟอยากไปยึดอยากไปติดอยากไปอยากได้อยากมีก็จะทําให้เราทุกข์ใจใจของเราจะกะังวนกวายเวลาอยากได้ก็กระวนกวายเวลาได้มาแล้วก็กังวนกวายกลัวว่าจะ จากเราไปเวลาจากเราไปก็เศร้าโศกเสียใจอาลัยอาวรณ์เราท่าทามทุกข์ขึ้นมาเองด้วยความอยากของเราด้วยความโหยของเราไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เราอยากนะั้นเป็นเป็นเป็นเหตุที่ทําให้เราต้องทุกข์ใจกันไม่รู้ว่าความสุกขความดับของความทุกข์นั้นอยู่ที่เห น, น แต่ตอนนี้เรารู้เรารู้แล้วรรลว่าอยู่ที่การทำทานอยู่ที่การรักษาสิ่งอยู่ที่การภาวนาสมถภาวนาวิปัสสนาภาวน า, า, วนาทําไมเราไม่ทํากันถ้าเราทําแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยเพราะพระพุทธเจ้าได้ทํำมาแล้วพระอรหันต์ต่างุากข์ทั้งหลายได้ทํำมาแล้ว ใจของท่านไม่ม <ose> ีทางที <Just. S 2> ่ข์หลงหรืออยู่ภายในใจเลยเพราะท่านได้เจริญทานศีลภาวนาอย่างเต็มที่ในเด็กพวกเราก็จะได้ผลเช่นเดียวกันถ้าพวกเราเจริญทานศีลภาวนาอย่างเต็มที่อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์าสาวลกทั้งหลายได้เจริญกันเรื่องของป่าเรื่องของการเจริญทานศีลภาวนาเรื่องของการปล่อยวางทุกสิทุกอย่างในโลกนี้ ด้วยปัญญาว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนที่จะอยู่กับเราไปตลอดมีสพียงเดียวที่จะอยู่กับเราไปตลอดก็คือความสงบของใจงที่เกิดจากการหยุดความคิดหยุดความอยากต่าง ๆ, ๆกา ร, รแสดงก็เห็นว่าสมควรแต่เวลาจึงขอยึดถไว้เพียงตท่ น, นี้ หลวไพ่อชัยอยากจะถามอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรจะมาเล่าให้ฟังหรือเปล่ามาแบ่งฟังกันบ้างเอาธรรมะที่ปฏิบัติปฏิบัติมาแล้วปิดสงบอยังไรเห็นคุนข้างของการภาวนาอย่างไร มาแบ่ง ก, กันเพื่อจะได้ให้ผู้อื่นที่ยังไม่ได้เกิดกาลั ง, งใจขึ้นมาการได้ยินได้ฟังผลของการปฏิบัติจากผู้ที่ได้ผลม า, นานนมทำให้ผู้ที่ไม่ได้ผลนี้เกิดกาลั ง, งใจขึ้นมาอย่างเวลาที่ครูบาอาจารย์ท่านมาแสดงธรรมแล้วท่านเล่าถึงผลของการปฏิบัติของท่านนองมันทําให้ผู้ฟัง เกิดกำลังใจหลังจากความเทศธรรมแต่ละนี้เลยกำลังใจที่จะภาวนากลับไปเดินจนกงกรมได้หลายชัวย่วโมงไปนั่งสมาธิต่อได้ตก็สติมากจากนอนกันแต่พอวันไหนได้ความเทศธรรมกลับไปแล้วใจมันกระปรี้กระเป๋ากระชับกระเฉงมันเหมือนกับว่าท่าเอาลิปายเอาผลของกาปรปฏิบัติมา ยืนให้กับเราท่านบอกหยุดไปให้อยู่ตรงนี้เองหยุดไปเดินเดินกองนั่งสมาธิเถอะเดี๋ยวอยถอนมันก็นมาเองควบคุมใจของเราอย่าปล่อยให้มันนอนไปนอยมาอย่าปล่อยให้มันคิดเลื่อเปลือยให้มันอยู่กับพุทธโธให้มันอยู่กับร่างกายเท่านั้นเองอยู่ได้แนละ้วมันก็จะต้องรวมลงไปเข้าสู่ความจริง พอสงบแล้วก็จะมีกําลังต่อสู้กับการหาความอยากมีกำลังที่จะพิจารณาอนิจังพิจารณาอนัตตาพิจารณาอริยสัจสี่ทุกเกิดที่เกิดจากความอยากมีโรภเกิดจากมรรคที่พิจารณาเห็นว่าทุกสิ่งทุอย่างเป็นอนัตตาทุกสิ่งทุอย่างเป็นอนุจังมันก็จะหยุดความอยากได้ นี่แประเด็นมันอยู่ตรงนี้เองทั้งหมดนี้มันอยู่ในใจของเราอายุยักิ์ศรีมอยู่ในใจส่วนใหญมันจะเป็นแต่ทุกกับปีนไทยใจของเราจะคิดแต่เรื่องของความอยากอยากได้นั่ไดนนไนไน้นีอยากจะไปนั้นอยากจะไปนอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะลิมม้มดสกับเลือดถึงจริงรสขดตะพะอยู่ตลอดเวลาไม่เคยคิด ไม่อยากเลยไม่เคยชิดเบื่อกับราบเยอะมโนเสนเบื่อกับลูกเสียงเกงงว่าไม่เคยคิดว่ามันเป็นความทุกข์เลยแล้วระทั่งที่มันทุกข์แสนทุกข์ก็ ย, ยังมองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เลยเช่นเวลาจะไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งต้องเตรียมตัวเตรียมการลาบน้อยเท่าไรต้องทำหนังสือเดินทางต้องไปขอวีซ่าต้องไปจอสตัวเป็นเจา้าที่พักไปตรวจโรค แล้วก็ต้องไปเปี่ยนภัยกับการเดินทางขึ้นแล้วไม่รู้ว่าจะลงแบบไหนเวลาล ง, ลงแบบทัท้งพุทโธทนะุทโธเลยขอให้มันลงดีนะพอลงปอกไทแล้วก็อยากจะขึ้นใหม่ กันเลยอยู่ไม่ใช้ไม่ได้ปลอดภัยกับไม่อยู่กันอยู่กับดินติดดินไม่สบายจะตายไหมถ้าไปอยู่บนฟ้ากันอยู่ยิ่งเสรเวลาเราตอกขงมางงมันก็ยิ่มชิบนะต้องพยายามสร้า ง, าง ท, ที่ดับสื่อเป็นงานันท่ ความดีที่จะภาวนาวิริยะความภาคภีรการภาวนาจิตตาใจจดจ่ออยู่กับเรื่องภาวนาไม่คิดถึงเรื่องอื่นแล้วจะเอาแต่ภาวนาอย่างเดียววิมังสาจะไม่คิดไปเที่ยวเมืองนอกเนาไม่คิดไปทำบุญอทอดก้าป่าทอดกระถินสร้างโบสถ์สร้างทพืดีพอแล้วนรางมาพอแล้ว พระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดสรู้ด้วยบทด้วยเจดีย์พระพุทธเจ้ต า, าตัดสรู้ด้วยการนั่งภาวนาอยู่ใต้โคนต้นโพอยู่ในป่าปิดด้วยเลสอยู่ตางลำพถ้าเราอยากจ ะ, ะบรรลุธรรมเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุเราก็ต้องปฏิบัติแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติเราก็ต้องไปปิดด้วยเลสไปอยู่ในปา่าในเขาอยู่ทางโคนไม้ อยู่ตามสถานที่สงบสงัดแลรวก็นั่งภาวนาเดินโยงงย่งสมาธิประกอบกันไปจนกว่าใจมันจะสงบใจสงบแล้วออกจากความสงบมาตกงคอยใช้ปัญญาสกัดความอยากต่างๆถ้ายังไม่มีความอยากก็ซ้อมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนเช่นความอยากไม่แยงอยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย เราก็ต้องพิจารร่างกายไปก่อนว่ามันต้องแต่ต้องจ็ต้องตายพอถึงเวลาเกิดเหตุการ์ขึ้นมาเราแฝงมันอยากจะไม่มแก่เราก็ใช้ปัญญามาส ก, กัดความอยากได้ว่าห้ า, าไม่ได้ความแก่ร่างกายเราไปห้ามมันไม่ได้มันจะแกงเราไปหยุดมันไม่ได้เราไปอยากไม่แฝ่แล้วจะทาให้เราพิจัยไปต่อไป ผมมันจะหงอกก็ปล่อยมันหงอกไปไม่ต้องไปย้อนมันหนังมันจะเหี่ยวก็ปล่อยมันเหี่ยวัปไม่ต้องไปไม่ต้องไปทําสัญญาก ร, รมอันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปทางธรรมชาติถ้ายังอยู่ได้นอกจากถ้ามันเจ็บไข้ได้ตัวถ้ารักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องก็ต้องอยู่กับมันไปแค่เดียวกับควานตายถ้าป้องกันได้ก็ป้องกัน ถ้าป้องกัน ไ, ได้มันจะตายก็ต้องปล่อยมันตายไปแต่ใจอยากก็อยากไม่ตายกันอันคาดเพรเกิดถ้าคือมีความอยากไม่ตายนะมันจะทุกข์ทรมานใจถ้ามันยอมรับความจริงมันเฉยๆตายก็ไปปด้อยู่ก็ได้แบบ น, นี้ก็ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้ามันอยู่ก็อยากจะตายอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ถูกเถิดก็ยังเป็นความอยากเหมือนกันอยากตายก็ไม่ดีอยากไม่ตายก็ไม่ดีต้องอยู่ตรงกลาง อยู่ระหว่างความอยากตายกับควมไม่อยากตายเป็นอยู่เฉยๆเป็นอุเบกขาปล่อยวางร่างกายจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปใช้เวลาเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาไม่หายเป็นนรรมะพืติกรรมผพาตอนนั้นอยากจะตายอย่างอยากตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะมันยังไม่ตายด้วอเวลาร่างกายดีแล้วมันจะตายก็ไม่อยาก ไม่อยากตายอย่างนี้ก็ทุกข์อีกต้องปล่อยมันไปในเวลามันจะตายก็ต้องปล่อยมันไปในเวลามันจะอยู่ก็ต้องปล่อยมันอยู่แล้วใจจะไม่ทุกเพราะใจไม่ได้เป็นร่างกายไปทุกกับร่างกายทำไมเหมืมนอนกับเราไปทุกกับคนอื่นเขาทําไมคนอื่นเขาจะเป็นก็จะตายทำไมเราต้องไปวุ่นวายไปกับเขาด้วยเราไม่ได้เป็นไม่ได้ตายไปกับเขาเสียอาเนื้อใจถึงเราเป็นอย่างนั้น าการของเราไม่มีวานตายการของเรามาได้ร่างกายเป็นของเล่นเหมือนตุ๊กตาตัวนึงเราเ็เล่นดูตุ๊กตาตัวนี้เอามั น, น, นพาเราไปรุ่น ม, มานี่พาเราไปเที่ยวถ้าไม่มีร่างกายเราก็ไปเที่ยวไม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีความอยากเที่ยวแล้วมีหรือไม่มีร่างกาย ก, ก็ไม่เป็นปัญหา และไม่มีความอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขร่างกายที่เป็นอะไรก็ไม่เป็นปัญหาจะเป็นอะไรเพิ่อทำมาบ้างก็เป็นไปในเรื่องหลวงตูชอบท่านั่างรถเข็นท่านก็ไม่เห็นเดือดร้อท่านก็อยู่ค น, นไปมีความเข็นท่านไปไหนท่า น, นก็ไปไม่เข็นท่านไปท่านก็ไหไปท่านอยู่าาใจอักระใจท่าไม่ได้ใช้ร่างกายปเป็นเครื่องมือหาความสุข คือ ท, ท่านไปท่านไม่ได้ไปหาควอมท่านไปโจดส์ท่านไปเผยแพรธรรมะไปสั่งสอนธรรมะให้แก่ผูอ้อืแต่พวกเราไม่ได้เป็นอย่างานั้นพวกเราไม่ได้ไปโจดสัต์เราไปโจดเราเองเราไปหาความสุขตาหูจดูกิ้นการกันพอร่างกายไม่สามารถไปได้เราก็หมดจิตเศ้าสร้อยหัวย่ อยากจะตายไม่อยากจะอยู่พออยากจะตายก็ทุกข์อีทุกข์ตามสอนก็ทุกข์ทีท่ร่างกายแล้วเรีต้องมาทุกข์ที่ใจก่อนที่ไจะมีความอยากตายเวลาล่างกายเป็นธรมะทุกข์ธรรมะธาตุาา่างการไม่เจ็บไข้ได้ปวยได้ ส, สบายใจเฉยๆก็ไม่เจ็บ น, น้องเหมือนกับไม่ได้เป็นอะไรเวลาล่างกายปกติกเ็เฉยเจ็บไข้ได้ปวยก็เฉย เพราะท่านปฏิบัติรักษาใจให้เฉยด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญานม่เี้เป้าหมายของการปฏิบัติก็คือรักษาความเฉยความเป็นอุเบกขาความสงบของใจนม่เงี้ยวานก็คือความสงบของใจงแต่แว่าวิพานนี้เป็นความสงบที่ถาวรความสงบระดับอื่นนี้ยังไม่ถาวรความสงบระดับสมาธิไม่ถาวรเดีย๋ยวต้องออกมาจากสมาธิ ความสงบของพระโสดาบันก็ไม่ผ่วงไม่หมดไม่ครบร้อยพระสาวะพระโสดาบันสังเกตกับเรื่องทางแต่ทางเจ็บทางกายของร่างกายแต่ยังไม่สงบกับเรื่องของการอารมณ์ก็โสดาบันพระกิติดาวน์มืนี้ยังวุ่นวายกับเรื่องการอารมณ์อยู่ยังเวลาเห็นรูปหน้าหน้าตาเสวยงานยังเกิดการอารมณ์อยู่แต่พระอิติดาวน์มือนี้ไม่มีแล้ว ทนเห็นอะไรท่านไม่เห็นว่ามันสวยงามเลทนนี้ส่วนที่ไม่สวยงามเห็นตอนที่น้าตายนิสวยงามนตายไปเหนอาการกาติอนอาการอวัยวะต่างๆที่ซ่อนสิภายใต้ผิไหนังท่ะมกังวลกระกะสับกระสานกับกาอารมณ์ท่านก็ไม่ทําท่านก็ไม่นิ่งวาใจท่านสงบ กับเรื่องของง่างกายทุกทุกทุกแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก่การเจ็บความตายไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสวยงามของง่างกายนี่จะไม่สามารถมาทำให้ใจของพระอนาคามีไม่สงบได้ไม่สามารถผลิตความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่กายผลิตความอยากการมลลมในการมลลมได้ด้วยส่วนพระอนาคามีท่านก็ท่านก็กาจัด ความความเหนือยในการในตัวตนในอัตตาตัวตนท่านไม่ถียว่าท่านมีตัวมีตนท่านเถียงว่าท่านเป็นตัวรู้เท่านั้นเองรับรู้หมดใครจะด่าก็รับรู้ใครจะชมก็รับรู้แต่ไม่มีใครเป็นคู่รับรู้ไม่มีตัวตมนมารับรู้มีตัวรู้รับรู้เหมือนกล้องถ่ายรูปทีกล้องถ่ายรูปมันถ่ายรูปทุกแบบใครจะยิ้มใส่กล้องมันก็รับ มันก็ถายใครจะดาใครจะหน้าบุ้งตึงใส่กล้องมันก็รับมันก็ถ่ายแต่เราใจของผู้ที่ยังมีอาการัวดใจมันจะรับไม่ได้เวลาใารหน้าบึ้งตึงเดือดยดยัาวนี่ังมันจะโวกจแพ้จะทุกข์ขึ้นมาทัทีเพราะยังมีอาการตัวต่ออยู่พะเจ้าทิ้งสอนให้ละให้ทตัวเราเป็นเหมือนตับทพทีเข้าใจทำให้เป็นเหมือนดิน ปกตินม่ใครจะเหยียดใครจะย่มใครจะอุจจระตัดพรังใส่ปกติไม่เคยโดไม่เคยเดือดรอนใจของเราต้องเป็นอย่างนั้นใครจะดูถูกเหยียดย้มใครจะทำร้ายทำลา ย, ลายอย่างไรก็ไม่เดอือรอนเฉยๆไม่ถือตัวเพราะไม่มีตัวตนแต่ถือมีแต่ตัวรู้ก็รี้ไปทั้นั้นเองให้หลักจะรู้ เมื่อที่ ส, สอนชายที่มาถามอระเจ้าว่าให้สอนธรรมะในขณะที่กําลังจะดินประบาดอยู่องค์เจ้าก็บอกว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะสอนเขาก็ขอให้สอนแบบช่างๆขอให้สอนแบบสรุปอาจารก็บอกว่าให้ลืมเฉยๆจับแต่แว่ารู้ เ, รเห็นแอะไรก็สับแต่ว่าเห็นไจะยินอะไรก็จับแต่แว่าได้ยิน อย่าไปคิดปรุงแต่ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ว่าเป็นวาเป็นเขาว่าเขาพูดเราฟั ง, งนี้ไม่ต้องไปปรุงแต่งให้รับรู้เฉยๆทัานก็เข้าใจความหมายข้าขอขอยากจะไปเตรียมอาถรรพานเพื่อที่จะได้มาเกิดไปการทาําจุวจกระเทียมขุดตาย พระพุทธเจ้าทสร้างเข้าก็้าสยมว่าให้ชาวพนกจิตว่ากาสร้างสถูบรรจุอัฐิของเขาว่าการสร้างสถูปเพื่อบรจุอัฐิจะแสดงว่าต้องเป็นบุคคลสำคัญสมัยก่อนนี้เขาจะสร้างสถกปดจดีก็เพื่อเพื่ อ, เ พ, อเพื่อก็อ า, าอลัหัพรเจ้าพระปฏิสเข า, า, า, ากขา็จะแจ้งน่ารหน่ยแต่ขระพเ้น แสดงว่าชายคนนั้นเข้าถึงธรรมนะเข้าถึงตัวนี้เข้าถึงตัวจิตแหวม่านของอวิชตาโมหะที่เราให้คิดว่าตัวนี้ตัวรู้นี้เป็นตัวเราของเราตัวรู้นี้ก็เป็นตัวแต่ตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวเราของเราให้รู้เฉยๆไม่ใช่เรานับรู้นับรู้แล้วก็ดิจใจเสียใจกับสิ่งที่รับรู้สิ่งนี้แสดงว่ามีตัวมีตนนับรู้ ถ้ารับรู้ต้องรับรู้แบบกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปมันไม่อยู่ตัวือตรงมันรับภาพอย่างเดียวใารไปทำหน้าอย่างไรถ่ถายกล้องมันก็ถ่ายทุกภาพมันไม่เลือกไม่เหมือนใจที่มีอัตรากิวต่ำต้องเอาต้องมองแต่คนที่เขายิ้มกับเราคนที่หน้าเฟื่งงใส่เราเราจะไม่มองต้งใจไห นิ่คือการปฏิบัติให้เข้าถึงตัวรู้เข้าถึง่ารู้เขาถงขอจริงข่าวแพ้คือเป็นผู้รู้เฉยๆแต่เวลารู้านรู้เฉยๆแต่เวลารู้ก็ต้องสงบต้องนับความคิดเฉยนเราจะพบกับความผิดคแ้จริความสุขที่ไม่ยุติธรรมนั้นลื่ ความสุที่อยู่คู่กับผู้รู้ที้ไม่มีความอยากไม่มีความคิดติดแต่ต้องปฏิบัติเท่านั้นถึงจะรู้ได้การฟังนี้ถ้เป็นการ เ, าเหมือนกับ เ, เปิดทางขอให้เดินไปขอให้คิดในแนวนี้ถ้าคิดในแนวนี้ได้ก็ ถ้าปฏิบัติการได้ก็บรรลุได้ถ้าออกจากชาลาตายนี้ยู้เฉยๆตลอนนะดเวลาก็บรรลุได้ะไม่มีความอยากไปไหนวะอยู่เฉยๆอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้ไมีห น, น้าที่แจะจะต่เลี้ยงดูร่างกายไปสายถัดกระถางมีเลี้ยงก็เลี้ยงไม่มีเลี้ยงก็งงอดตายก็จบ แในไม่ได้วุ่นวายเกี่กับเรื่องการเยีอยูอยู่ร่างกันไม่ได้วุ่นวายกับการอยากจะไปไหญมนมาไหนอยากไปทำอะไรดีอะไรเราไปทำดูสอนไปเรียนจะให้ทาที่ยังไม่ได้ถวายของเร้มาถวายของทอนที่ต้องการน้ำเปลือกเข้ามาใส่ีดีก็เข้ามา สำหรับเบพื่อนที่ต้องการรับชมโฆษนากางของพ่อจารย์ที่ตองนะครับเข้าไปที่ w w w f a c e b o o c o m ได้นะครับ ตอนตัดทิศไหนไม่ได้มาก็เปิดรับชมได้แต่ของเมื่อคืนก็เมื่อวานก็โหลดไปเรียบร้อยวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ดูหน่อยได้ใจจะเหนื่อยนะเพราะว่าเป็นคนมา้เนี่ยผู้คนอ่านกันมากมายก็ดีถ้าเขาได้รับประโยชน์ก็ไม่เหนื่อยถ้าเขาไม่รับประโยชน์ก็รูเสึกจเหนื่อยถ้าต้องการผมใช้ได้เลยครับจริงเหรอ ถ้าเขาฟังแล้วเขาเกิดสักเจกไม่เหนื่อยท้ายเหนื่อย <laughs> ถ้าฟังเราเขาหูซ้ายหอกหัวขาอย่างเงี้ยเหนื่อยธรรมดาจริง <laughs> ะทุกคนน่าล ะ, <laughs> ะนี่ยะงบดแปดสีแล้ว เดือนหน้าก็เดือนเดือนสุดท้ายของเดือนที่แปดของปีที่แปดเนี่ยก็ปีสี่แใช่ไหมวิทุนานี่มันก็เกเจ็ดปีแล้วนมันน่าจะมีอะไรมาโชว์บ้าง พรจะพุทธเจ้าสมต่ถ้าไม่ละหันก็ต้องอาาางนาําณีครับใช้ในเจ็ดปีเลยใช่ไหมนะรุ่นีมเสียรุ่นยังไม่กล้าซื้อไอทีได้แค่แแล้วถ้าเกดถอดถเสียก็ทิ้งมันไปเลยไม่ต้องไปซ่อมเลยเป็นข้อสอบนะว่าเราจะสอบผ่านหรือเปล่า เราจะปล่อยวางโรกเสียงถึงยอได้หรือเปล่าแค่นี้ยังทําไม่ได้แล้วจะไปทำไํำอะไรได้ถ้าปล่อยวางการมาฉันท์่าไม่ได้ก็นั่งสมาธิไม่มีวันที่จะสงบได้เพราะการมาฉันท์านี้เป็นวิวรรน์เป็นกำแพงที่จะไปทะลุเข้าสู่ความสงบไม่ต้องคันกําแพงนี่ทิ้งไป ย้อนในห้าการมฉันทะวิจิตกิจชาการสงสัยงังเลยสงสัยในเรื่องของการปฏิบัติว่าจะได้ผลจริงหรือไม่ต้องไม่พึงคมนองเลยต้องเชื่อว่าภาวนาแล้วจะต้องสมบแ น, น่ๆจะลังสติบริกรรมพูโทโธแต้องต้องสงบแน่ๆการมาฉันทะก็ต้องหลัไปไม่ดูหนัควางเพลงหทือสิ่แต่ ไม่เฉพาะวันพระทุกวันเลยสําหรับนักปฏิบัตินะครเราต้องเป็นนักบวชทางใจถ้าเราบวชนั่งเรืออมเรือ <ๆ S 2> ไม่ได้เราต้องบวชทางใจแต่อย่างน้อยก็ต้องถือศีลเรานักบวชแปดข้อก็คือศีลแปดนี้พิจารณาถือวันพระก็เป็นการชิมลองไปค่อนพอชิมไปแล้วรู้สึกว่าอเร่อยก็จะอยากจะรักษาไปเรื่อย จากวันเดียวกลเป็นเจ็ดวันรักษาไปเป็นนิจเฉลิมไปเป็นวิธีที่จะทำจัดการมาชันทะเพราะถ้าเราถือเฉลิมแต่เราก็ดูดูหนังดูลครไม่ได้ผ่านไปไม่ได้ไปเที่ยวตามสถานาบันเทิงไม่หลาไม่ได้อนันนีการมาชันทะวิธีทำจัดในส่วนความสงสัยก็ต้องความเทศความธรรมอยู่เรื่อยๆควองเห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติ ว่ามีจริงภาวนาแล้วติตสงบจริงดับความทุกข์ได้จริงหลุดพ้นได้จริงจากการภาวนาถ้าฟังอย่างนี้แล้วก็จะไม่สงสัยก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการภาวนาแล้วตัววิวรณ์ตัวก็คือความง่วงเหงาหาานอานก็ได้จากการเนี่ยถือศีลแตก็ช่วยได้ระดับเนี่ยถึงรับประทานอาหารพอประมาณไม่รับประทานอาหารนั้นจากเที่ยงวันไปแล้ว ถ้ารับประทานอาหารเย็นนี่มันใจว่างมากเวลาถึงเวลาภาวนาเ น, นี้มันจะนอนละถ้าไม่ได้ฉันาหารรับประทานอาหเย็นนท้องว่างมันก็จะพอที่จะนั่งพอนอนได้ถ้ามันมว่างก็ต้องใช้มาตรการเข้มข้นกว่า น, น, น, นี้ก็คืออดอาหารไปเลยทั้งวันหรือไม่ฉะนั้นก็ไปหาที่ที่นา่ากลัวอยู่ไปนั่งแถวเมนแถวป่ชาชา เลามันมีความกลัวแล้วมันจะได้ง่วงแต่ต้องมีสติตออกควบคุมความกลัวได้ถเวลาเกบความกลัวก็ต้องสามารถาพรเป็นความพุทโธเจริญพุทานสติธรรมะในสติตสังขารในส ต, ติให้ได้ถ้าจเจริญไดต้ต่อเนื่องจิตก็จะสงบความกลัวก็จะหายไป น, นี่ข้อนึงก็คือมีวันอีข้อนึงก็คือความพุ่งสร้าง การฟื้นฟังก็ต้องใช้สติเนี่ยจเจรินสติบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปสกัดความคิดตุ่มแตกถ้าเราบริกรรมพุโทโธมันก็จะคิดว่างนั้นเรื่องนี้นไม่ได้ถ้ามันคิดไม่ได้หนูก็ไม่ฟื้นฟัง ม, มันก็จะสงบถึงไม่จะไม่สงบเต็มที่มันก็จะจ ะ, จะว่างจะเย็นจะสบายจะคิดบ้างแต่คิดไม่มากเหมือนกับไม่มีพุโทโธบางวันคนเราขึ้นไม่ยังดีพุโทโธขึ้นไปคิดขึ้นหนูก็ยังดี มันจะล็อกที่วิ่งรงขับถ้าเรามีเบรกคอยเบรกไปเรื่อยๆมันก็จะไม่วิ่ง่งไปเลยตจนๆไปความคิดของเราถ้ามีพุทโธคอยสกัดู่เรื่องมันก็จะไม่ฟุ้งซ่างถึงแม้มันจะคิดบ้างมันก็จะไม่ไม่คิดแบบฟุ้งร้างแบบไม่มีเบรกเมื่อเราอยากจะกาจัดลี้วองคือความฟุ้งร้างเราก็ต้องใช้ใช้การเจริญสติโดยทำพุทโธไปเรื่อยๆ มีอะไรกี่ข้อนะสี่แล้วอีกข้อหนึ่งก็คืออะไรความโ ก, กรธความนองทางใจความโกรท่านก็เลยเท่าเราโกรธคนก็ต้องแผ่เมตตาต้องทงให้อภัยอย่าไปเอาเรื่องเอาราวอย่าไปจงองเวรจองกรับหรือว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำนั้นมราห้าไม่ได้ แต่เราห้ามใจของเราได้ like ไเราอยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่โกรธเวลาเขาไม่ได้ทตามที่เราอยากเพราะเราไม่มีความอยาเราไม่ได้อยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอก็าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เราก็จะไม่เดือดร้อนต้องให้อภัยต้องให้อภัยได้ความโกรธก็จะหายไปมีเกินไม่ว ja อนอดตา us, like มด้วยทำ ที่เป็นอุปสรรคต่อตการทําใจให้สงบองคะเจ้าถึงต้องมีมาตรการให้พวกเรจเจริญใจเช่นรักษาสิ่งแตเจริญสติหาที่อยู่ที่สงบสงบที่น่ากลัวเจริญสติอย่างต่อเนื่องรับประทานอาหารพอประมาณไม่รับประทานมากเกินเกไปแล้วก็ฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยฟังธรรมปฏิบัติ การทำที่เกี่ยวกับการภาวนาทั้งส่วนที่เป็นเหตุและส่วนที่เป็นผลของเราก็จะไม่สงสัยว่ามื่อผลนิพพานมีจริงหรือไม่ผลที่เกิดจากสมาที่มีจริงหรือไม่จะไม่จะไม่สงสยัยจะทํำด้วยความมั่นใจว่าถ้าเราทําเหตุที่ถูกผลที่เถูกก็จะต้องปรากฏตามขึ้นมาอย่างแน่นอนตอนนี้มีปัญหาอยู่ที่เหตุมันไม่มีเหตุของเรามันยังไม่ แต่ตัวมันยังน้อมลุกคุบคามอยู่ก้กำลังตั้งไขอยู่ยังไม่คลอดเราต้องพยายามรับประคองเหตุคือการเจรจิญสติการตำจัดริวอลต่างๆการรักษาสิ่การความเทค่ความธรรมการควบคุมอารมณ์ความกดด้วการให้ในภัยถ้าเร่อไปความสงบมันก็จะน้ปฝาด ข, ขึ้นมาอย่างแน่นอน ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมาลงที่ตัวเราแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ใครแล้วผู้อื่นก็ทําหน้าที่ของเขาเต็มที่แล้วพทศเจ้าพระอี้ยงสงสารวัครูบาลางท่านทําหน้าที่ของท่านแล้วท่านปฏิบัติท่านรรลแล้วท่านทำหน้าที่สอนสอนาสิ่งที่ท่านรู้ท่านเห็นมาเผยแผ่แล้วมาบอกแล้อยู่ที่เราทนี้เองที่มาจะต้องเอาไปปฏิบัติ ถ้าเราไม่ปไปไปปฏิบัติเทาเหมือนกับรับยามาจากหมอแล้วไม่รับประทานยาไ ม, ไม่รับประทานยาโรคที่ที่ไปอยู่ก็จะไม่หายโรคที่เราเป็นในอย่นี้ก็คือโรคความทุกข์ใจโรคของใจงก็คือความทุกข์ใจไม่สบายใจความเครียดต่างๆความทุ้งซ่าเราต้องติงยาของที่พรเจ้าส่งมอบให้ก็คือทานศีลภาวนา แต่เรากินให้ครบกันเรากินเพียบางอย่างเราเลือกกินยายากยานี้อร่อยยาหนี้หวานนะกินไดน้ยาหนี้ขมเกลือลนบากไม่กินเลยนะเรากินแต่ยาง่ายๆจะเอาแต่ทานอย่างเดียวถึงแต่ไม่เอาภาวนาไม่เอาตื่นเว้ยเว้ไม่เอาเนะี่ยมันก็เลยมันก็เลยรักษาโรคไม่หายเสียทมันะต้องกินยาให้ครบสูงเนะี่ยทานศีลภาวนาเนื้ป็นยาสามชนิด ที่พวกเราต้องมัสประานกาันยะะแต่ทางยาที่เครือบน้ำตาลนะฮหล่อหวานอมได้ยาที่ขมไม่เอาเลยเอาแล้วนะจะให้ก่อน่มคท่าอยี่อมีเคื่องมก่อนที่ท่าอจายที่ห้ามีตัวรี้วรืที่รู้จะมาเมตุ้ ถ้ามีตัวนี้้เราสามารถที่จะปรับเป็นสุขหมายอะไรอย่างนี้ค่ะทีนี้รู้ไหมแต่เขาก็ตนี้ที่นี้มันจะเป็การไม่ต้องอาวนาหรือมันมันเกิดยังไงก็แนเวลาจิตดวงเป็นอก็จะเห็นตัวนี้สักแต่ว่ารู้เนี่ยพอเ็ตัวรู้แล้วก็รู้ว่าอ๋อเนี่เราต้องรักษาตัวนี้แล้ให้มันรู้เฉยๆให้มันเป็นว่าเป็นอุเบกขาถ้าเราไม่ทข้าถึงตัวนี้เราก็จะคิดว่าเราเป็นตัวตน เราต้องต่อสู้ต่อโต้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มัาสัมผัสมากระทบใจเราอะไรทําให้เราไม่สบายใจเราต้องจัดการกับสิ่งนั้นแต่ถ้าเป็นตัวรู้นล้วไม่ต้องจัดการอะไรที่้ให้รู้เฉยๆเพราะการรู้เฉยๆนี่มันสบายกว่าทางสบายกว่าการไปจัดการไปต่อสู้ไปต่อโต้เหนื่อยไปต่อตางแล้วก็ไม่เกิดเตลอะไรอย่างที่พุทธาบอกว่าต่อให้ชนะคนเป็นเหมือนเป็นแสง ก็สู้ชนะใจตัวเดียวไม่ได้ชนะตัวที่อยากจะไปต่อสู้นี้ให้มันรูเ้เฉงๆให้มันปล่อยวางที่จะรู้ตัวนี้ได้จิตต้องเรีย น, นกกรู้ภาษาที่มไม่ต้องพรวาง น, นะบางคนก็ไม่ต้องภาวนาะอย่างที่พระเจ้าสอนชยัยตอนนะั้นแสดงว่าคนที่ท่านอยจะเทศ เขาดูแลไงเขาพับเขาเ้าถึงตัวนั้นแล้วเขาเคยภาวนามาก่อนแล้วจิตของเขาที่เข้าถึงตัวนี้ต้องพอนาต้องสงบแล้วถึงจะเข้าถึงตัวนี้ได้ก็นแบบพุทโธทั้งวันไปอยู่ไปที่ไปอยู่กองเขาสวนลุมพากไม่ต้องไปไหนจิตจะเกี่ยวตัวนี้เมื่อเกีตัวนี้แล้วก็ค่อยกลับมา เจอตัวนี้เราไปอยู่ที่ไหนก็ไปได้้วไม่เป็นปัญหาแล้วมันไม่เจอตัวนี้เดี๋ยวมันไปเจอตัวเราของเราเอาละ